เรื่องพระเมขิยเทระพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาจาริกาทรงปรารบพระเมขิยาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบัณฑิตพึงแสดงให้พิสดารคือละเอียดเพื่อให้เรื่องแห่งเมขิยเทระนั้นแจ่มแล้วพระบรมศาสดาตรัสเรียกพระเมขิยาเทระผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียร ในอัมพวันสวนมะม่วงนั้นได้เพราะถูกวิตกสามอย่างครอบงำมีกามวิตกตรึกในกามพยาบาทวิตกตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกตรึกในทางเบียดเบียนตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุไม่ควรเป็นผู้ไปในอำนาจแห่งจิตอย่างนี้เพราะธรรมดาจิตนี้เป็นธรรมชาติลั่นไปเร็วการยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรดังนี้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 แล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นในการจบพระคาถาพระเมขิยะได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลชินนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้อริยาบุคคลมีพระโซดาปฏิพลเป็นต้นพระพุทธวจนะจากเมขิยะสูตรพึงเจริญอสุภาเพื่อละราคาพึงเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตกกังวลพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อละตัวตน